ใจแรงๆสามข้างเจ็ดข้างยังค่อยเข้าปกติถือลมหายใจแรงๆยาวๆในลูล่ลมเข้าลมออกก่อนแล้วจึง ปกติคือตั้งจิตอธิษฐานก่อนอธิษฐานในจิตมาข้ขาพเจ้าจะปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติบูชาคุณมันดามิดาคุณคุมภิจาร รารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณวิดาบรรดาคุณอาจารย์ยมบรร ด, ดาบรารดาบริสทธ์บริสทธ์พรให้จิตใจข้าพระเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิพนวุทโสสมาธิทัมโมสมาธิสังโฆสมาธิจิตตังสมาธิ ก็ว่าพุทธโธทมโมสังโฆแลก็พุทธโธไปเรื่อยๆทำใจให้สบายบ้าเนี่ยอาพวกเราเกิดมาในยุคนี้ในยุคนี้ในาศาสตร์นี้ เป็นผู้ที่มีโชคดีวาสนาดีดีอย่างใดดีมาเกิดในเมืองไทยมีพุทธศาสนานวัดวาอารามครูบาอาจารย์แล้วเราก็ได้สดับรับฟังศึกษา อัธธรรมคำสอนของพระเจ้าอริยะเจ้าเข้าใจพอสมควรแล้วก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้เสียสละมาสู่สถานที่นี้ปฏิบัติบูชาในนั้นจึงว่าเรามีชคลาบมาก ได้มาเกิดพุทธมาเกิดในเมืองไทยได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้พบคุบาอาจารย์สีซ่องบอกทางแนวทางปฏิบัติเดินทางลัดตัดทางต้องอคุบาอาจารย์เมืองตนในยุคนี้ก็คือ พระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนาฏการที่สเป็นผู้ปฏิบัติฝึกหัดปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานภาวนาพึกหัดปฏิบัติอยู่ได้ยี่สบเจ็ดรษายี่สเจ็ดรษาตุดงกรรมฐานภาวนา าภาคเหนือกถ็ถึงแค่สวรรคโลกถึงแค่สวรรคโลกโยนตุดงทางอีสานถึงราสีมาภาคกลางก็เมืองเพชรบุรีถูกอย่างนั้นตุ ด, ด, ดงปฏิบัติสินธรรมกรรมฐ า, าน ฉันเข้ามือเดียวเทียวจมกลมคือรอสี่ประจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ปฏิบัติสินธรรมกรรมาฐานแล้วก็พูดสินธรรมกรรมาฐานขึ้นมาในยุคนี้ก็ได้อ น, นี่ก็แปลว่าเรามีสุขดีมีวาสนาดี แล้วได้มีศรัทธาความเชื่อความเองอนใสได้มาประพฤติปฏิบัติสินธรรมกรรมฐานภาวนานั่งลับตาภาวนารูลวมเข้ารูลวมออกพุทโธพุทโธก็คือว่าเดินทางลัดตัดทางต้องก็คือมาลูกาหนดลูตั้งฤศีสะไปถึงปลายเท่า ยังจะไปเท่ามาถึงศีษะปนดบู้ตลอดรู้ตลอดร่างกายเนี่ยเป็นกายากระจาสติกรรมฐานเนี่ยเพราะเป็นฐานเบื้องต้นลมก็เป็นกรรมฐานจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระบรมครูของพวกเรา ได้สำเร็จเข้าในผานพระองค์ก็มาเจริญพระอนาปาสติกมรฐานภาวนาคือลมมีสติรู้ลมลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เข้ายาวออกสั้นกำหนดรู้ดูอยู่นี่นหะกำหนดลมเข้ามาในจิตกำหนดจิตเข้ามาในลมจนเป็นหนึ่งเหนียวแน แนวเนี้ยเป น, นหนึ่งแล้วก็มาลู่ตั้งแต่หัวถึงตีนตีนถึงหัวกว้างศอกยาวหานหนาคืบนี้มาลู้เห็นเป็นจริงลู่กำหนดลู้เห็นเป็นจริงอันนี้เป็นตน้นหรือว่าเราได้นำรูปร่างกายของเราเนี้ ที่ไม่มีสาระแก่นสารรูปร่างกายของเราหาสาระแก่นสารไม่ได้ดังที่พระเจ้าเป็นกล่าวไว้ที่ว่ามรรคบังพัน่ะกายโยคิขวีอัสสโลสาวกาตัโบติร่างกายนี่หาสาระแก่นสารบ่ได้เกิดแล้วก็เก่แล้วก็เจ็บเจแล้วก็ตายตายแล้วก็ฝังกบ เป็นดินไปเผาก็เป็นกีเท่าไปไม่มีอะไรเป็นสมบัติของเราเช็คเนี่ยเป็นสมบัติเปล่าทั้งนั้นแหละแปลว่าไม่มีอะไรไม่ได้อะไรเช็คเนี่ยถ้าเราไม่มีคมุณธรรถึงว่าเกิดมาเปล่าเกิดมาเจ็บเปล่า ในนั้นพวกเราได้มาพบปะธรรมะคาสอนพระเจ้ามีความเชื่อความเร่วมใสตั้งใจปฏิบัติปูชาเนี่ยโอ้บุญมากบุญหลายหน้าพิธิยินดีไม่ต้อไม่ถอยนี่เนี่ยเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยเพราะว่าถ้าเมื่อมากำหนดอนาปาสติกรรมฐานเนี่ยลมเนี่ย เรีนเพ่งอยู่ในหน้าอกของเราเนี่ยรู้อยู่เนี่ยไม่มันไปที่อื่นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเป็นสบายก็จะเกิดปัญญาปัญญาขึ้นปัญญาโมจะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นสมาธิแล้วปัญญามันก็เกิด เหมือนเราน้ำใจองค์ใจองค์ใจอ่างแล้วบ่าให้ลมมาพัดรักษาไม่ลมมาพัดเบาน้ำ ม, มันนิ่งเมื่อ น, น้ำ ม, มันนิ่งก็จะมองเห็นเงาตัวของเราเององ ม, มองเห็นเราเห็นหน้าเห็นตาของเราตลอดที่สุดคนอื่น ม, มันเดินผ่านก็เห็น ตลอดที่สุดบินนกบินมาท่องฟ้าผ่านมาก็เห็นหมดอย่างนี้เป็นเดินี่เป็นว่าจิตสงบจิตนิ่งเราก็จะเห็นศีลเห็นธรรมเห็นรูปร่างกายของเราตามความเป็นจริงความจริงของร่างกายอย่างไรมันต้องตายล่ะตายเน่าเป็นเท่าเป็นฐานหาสาระเกี่ยนสายไม่ได้ต้องตายแน่ๆต้อง ตายต้องตายเน่เน่คนไปไม่ได้ตายเน่าแล้วก็ไม่มีอะไรสักอย่างเกิดมาก็ได้ได้ขันห้ามาก็เลี้ยงกันหาอยู่หากินเสียนทุกเสียนย า, า, ากพุทธายมันก็กินอะไรก็แก่ไปตฉะนั้นกินไปอะไรจะให้อายุยืนผูใช่กินไปอะไรก็ยิ่งแก่ไปยิ่งเท่าไปยิง่ง <c> แ <ười> <c ười> ก่ไปเลยเท่าไปเลย นเป็นสามขาสี่ขาแล้นะทุกนํำบากระกรรมลุกกระโวยนั่งกระโว ย, ยนี่เป็นตน้นแล้ว่าเราทุกคนทุกคนที่มาอยู่ในโลกเนี่ยไม่ใช่มาเพื่อความเพิดเพลนความสุขพทธเจ้าให้มาสร้างคุณงามความดีเพื่อความสงบ ความสงบนี่แหละมันเป็นการเดินทางลัดตัดทางตรงแปลว่ามัชฌิมาปฏิปทาตะขากรเตอเปสัมพุโตเจคุะวานิยาะกะวานีนะจิตเป็นกลางจิตเป็นกลางวางเฉยไม่รักไม่้างไม่ยึดไม่ถือบิดตะเพียงรู้อย่างเดียวรู้ลมเข้ารู้ลมออก เพียนเพอยู่เนั้ยไม่หมายเป็นตนเป็นโตเป็นเราเป็นกขาก็หนดรู้ดิ่งแย่งสว่างเย็นสบายนี่เป็นต้นนะฉะนั้นเมื่อมันสงบดิ่งแล้วก็มองเห็นละมันเนี่ยมองเห็นทำก็เห็ร่างกายของเราเนี่ยเพราะร่างกายของเราเป็นก่อนทำด้วย สัตว์โลกทั้งหลายก็มาหลงร่างกายมาหลงร่างกายตัวของเราเองคนอื่นด้วยมาหลงรูปร่างกายรูปรุ่มนั้นน่ยหลงร่างกายของเราหน่ยหลงร่างกายของคนอื่นด้วยน่าเห็นดันจึงได้วก่อกรรมทําเข็ญทุกอย่างเมื่อหลงหลงอยู่ในร่างกายของเราเพื่อมายึดถือรูปร่างกายเป็นของดี อย่างนี้เป็นตน้นขันเสียทีขันหนา้าเป็นของดีเขามาว่าไม่ดีก็ไม่ชอบโกรธให้เขาดีบมดีข่าเขาใจเลยอยเป็นตน้นเกียดจังมีความมายดถือขันห้าที่เรามาอาศัยนะ่ะฉะนั้นพระเจ้าปริยเจ้าก็ยังให้ดูให้ดูขันห้านี่แหละ ที่เราทุกคนหาบขันห้ามาด้วยกันทางนั้นหาบกองกระดูกสามร้อยทอดเนี่ยมาเดิอนอยู่ในโลกเวียนอยู่ในโลกเนี่ยนับน่าจะนั้นที่เราหลงก็หลงนี่แหละหลงกองกระดูกนี่แหละ <c ười> มาหลงอันเนี้ยก็ไม่ถือสิ่งนี้ ตีกันข้ากันอะไรทุกอย่างแย่งกันกับมาหลงอันนี้เองหลงกองกระดูกสามรอยทอด น, นี่แหละที่เมาหาไปหาบมาเนี่ยสุดท้ายกระดูกพวกรน่ะคือปัญญามาจุลามันนำโจมตีตีแขนตีขาเจ็บนั่นเจ็บนี่โอ้ไม่เจอเรื่องทุก แต่ว่าถ้าใจของเราโลบโรวมเข้ามาเป็นหนึ่งจดจ่ออยู่ในลมอย่างเดียวจนเป็นเอกกตาลมแน่วแน่ไม่ได้หมายเป็นตนเป็นโตเป็นนั่นเป็นนี้ยิดแน่วแน่เป็นหนึ่งเย็นสบายเป็นสุขแต่ว่าจะไปติดอยู่ในความสุขนั่นคือสุขที่เรา ได้นี่ก็ไม่เที่ยงเพราะความสุขความทุกข์มันก็เป็นของประจําอยู่ในโลกไม่ใช่ของใครดังนั้นสัตว์โลกทั้งหลายก็มาติดอยู่ในความสุขมาติดอยู่ในความทุกข์นี้เองนะดันั้นพระเจ้าจึงให้มารู้สิ่งนี้ให้รู้สิ่งนี้ปล่อยสิ่งนี้วางสิ่งนี้ให้รู้ปัจจุบัน ที่พระเจ้ากล่าว่าปัจจุบันนันจะโยุธรรมังปะตะตะตายปัสติอะรูปปัจจุบันปัจจุบันของรูปคือลมนี่แหลปะปัจจุบันของรูปร่างกายคือลมพราะเราทุกคนอาศัยลมลมเข้าแล้วไม่ออกตายออกแล้วเข้าก็ตายลมจึงเป็นพระองค์ใหญ่เมื่อพระอนาปา่ะ ตอนนี้ถ้าเรามั่นอยู่ในลมเป็นหนึ่งมันก็เย็นสบายลมเป็นของเย็นแต่ว่าเราไม่มั่นอยู่ในลมไปหมายทางนอกมันก็เป็นทุกข์ละเพราะเราไม่อยู่ในลมเราไม่อยู่ในลมเป็นหนึ่งพี่เอกก็เปรียบเหมือนเรามีบ้านไม่อยู่บ้านเรามีเรือนไม่ไม่อยู่เรือน มีบ้านไม่อยู่บ้านถลเอถลายไปบ้านนั่นบัานนี้ไปเรยไปที่ไหนไปก็โดนแดดบ้างโดนผลบ้าง <c ười> ดีบ ด, ดีก็โดนรถชนนี่สันใบเดืดเตทะถ้าใจอยู่ในบ้านก็เปรดเหมือนบ้านหลังเนี่ยใจมันอยู่ในบ้านก็ใจอยู่ในธรรมนังก็สบาย ทุกข์ก็มีทุกข์น้อยภัยก็มีภัยน้อยหเห็นนั่นทางพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจงให้พระเจงให้หาโอกาสรวบรวมมารบรู ม, ม, รมสร้างพระขึ้นคือล ม, มลนื่แหละผานาปานี่แหละลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ เพี้ยเพ่งอยู่ในลมจะเป็นหนึ่งแนี่ยน่ยอยู่ในลมนี่แหละเพราะใจของเรามานันหนีจากลมหนีจากฐานหนีจากพระแล้วก็ร้อนละใจเป็นไหมทางนอกร้อนถ้าใจไหมมั่นอยู่ในตัวล า, าก็เย็นสบายเป็นสุอนนอขอยนางนี้เป็นอุบายของพระเดจ้าเป็นอุบายของพระอริยเจ้า เป็นนุบายของครบาจารย์ซีซองบอกทางไว้ายเป็นแนวทางปฏิบัติเหตุนั้นพวกเราได้มาได้ดูได้เห็นและได้มีศรัทธาความเชื่อความเมตตาใจตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยเมื่อไม่ถอยมันก็ถึงนะไม่ถอยไม่ต้องถึงถ้าถอยซะมันก็ไม่ถึงอะ หยุดนะก็ไม th ่ถึงถอยก็ไม่ถึงเดินทางไปแล้วถอยคืนไม่ถึงหยุดจะไม่เดินไปก็ไม่ถึงอีกนี่เป็นตอนถ้าเห็นั้นไปไม่ถอยแล้วก็เดินถูกทางด้วยนะถ้าเดินไม่ถูกทางมันก็ไม่ถึงอีกถึงแต่ไม่ได้นะยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะไปกรุงเทพไปถึงลบบุรี มีไปพุทนครนายกจ่ะมันก็ไปได้แต่มันบุถึงบถูกมันไปได้เหมือนกันแต่มันไม่ถึงไม่ถูกไม่ถูกจุดเมื่อไปถูกจุดมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ดีไม่ได้ความสุขไม่ได้ทำอันนี้สันใดเหมือนกันมันไปได้แต่มันไม่ถึงไปได้ไม่ถูกไม่ถึงมันก็ไม่ได้ผลไอ้นั่น ถ้าเรามาเพื่อหัดปฏิบัติถูกหลักแล้วถูกหลักตามหลักพุทธศาสนาแล้วแม่ไม่ถึงมันก็ยังมีมีผลมีผล่ะ ม, มีเวลาที่จะถึงพอเราเดินทางถูกแล้วไม่ถึงวันนี้ก็ถึงวันหน้าไม่ถึงวั น, นวันนี้นนก็เดือนหน้าไม่ถึงปีหน้าเดินไปเดินไปไม่ถอ่อไม่ถอย ที่พระเจ้าตุลิตะตุลิตังสีฆะสีรังเว่าเร็วรีบด่ว น, วนฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงมาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของเราเหมือนพวกเราในมาในยุคนี้ชาตินี้ไม่มีศรัทธาความเสือ่อความรื่นใสพออกพอใจยินดี ในการปฏิบัติบูชาอามิดบูชาปฏิบัติบูชาครอคู่ก่อนไปเปลือกต้นไม้ถ้าไม่มีเปลือกกระพี้แก่นมันก็ไม่มียังมีเป็นตน้นแปลว่าเปลือกระพี้นั้นเขาก็ไม่เอาเพราะมันไม่ทนไม่ถาวรต้องเอาแกนเอาแกนมันยังมันทงเอาเปลือกกระพี้กับตัวหมอดตัวเมงตัวบุกบินแฉคนเอาเปลืกไม้มาสร้างบ้าน โอ้ยบทตรทนลมพัดทั้งหมดเอาก็พี่มาสร้างบ้านก็ไม่ทนอีกตัมดตุบตัวมดตัวมอดตัวอะไรกัดกินหมดอ่ะถ้าแกล็ของมันแล้วมันกินไม่ได้เนะี่ยหมอนที่เราสร้างบ้านสร้างเรือนเอาเก่นไม่ชักไม่ชุงมาสร้างบ้านทําประโยชน์ มันคงถาวรชนใดเหมือนกันคือเราอาศัยอาศัยเปวือกอาศัยกะพี้แต่ว่าเปลือกกระพี้นั่นก็ไม่เอาสุดท้ายขาดทิ้งหมดเอากเกณฑ์ม่นมยังเดียวเลยนะกเกณฑ์อย่างนี้ก็คือภาวนาวิสาลิมุตินี่แหละเมื่อภาวนาได้วิสาลิมุตวิสาก็คือรู้เนี่ยรู้ขันห้านี่แหละ รูท่าสี่นี่แหละรูขันห้าท่าสี่อนิจจังทุกขังอนัตตารูทุกข์ขันห้าเป็นก่อนทุกโลกทุกเหว่ยิ่เป็นตัวเป็นก่อนทุกก่อนไปรูทุกข์รู้เหตุเหงความทุกข์คือที่เดตดตัณหาเห็นนั่นจึงเริ่มมาภาวนาให้รู้วิจารณ์ศึกษาให้รู้แล้วรู้แล้วมวันกรุะพราะโตรูโตรู้ไปโตละ เปรียบเหมือนไฟมันสว่างมันความมืดมันก็ดับไปเองอสร้างความรู้ความสว่างขึ้นจุดความสว่างขึ้นคือตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพุทธโธพุทธโธเนี่ยจิตสงบสว่วมันก็ดับความมืดความมืดดับมิแต่ความสว่างก็สบาย นั่นจริงว่าอาศัยความสว่างยิดความสว่างขึ้นที่เรามาพากันมาศึกษามาปฏิบัติมาสร้างความสว่างขึ้นในจิตใจของเราเพราะใจมันมืดมาก็ามืดไปก็มืดกหมดหนทางละแตะโมตมะปราะยะโ น, โนมาข่มมืดมืดอย่างไรไม่รู้จกสินจะ ท, ทา ไม่รู้จักทำประโยชน์ตนและคนอื่นด้วยกระโจนมามืดเด็กตัวอย่างเี่ว่าบริเจ้าของเราในชาติที่หกเป็นมหาส่วนอกมเป็นมหาเป็นมหโหสถเกิดเป็นมโหสถมีปัญญาที่มีวิสามากแต่วิสามทางโลกก็เมาแต่ปัญหาทางโลกแก้ปัญหาโลก อูก็เป็นร้อยปีเหมือนกันแล้วตายจากมโหสถก็ไปเกิดอยู่เมืองหน้าเป็นงูปุริทัตศนั่นเองละ่ะปุริทัศเนี่ยเป็นงูมาเกิดไปอยู่เมืองหน้าเมื่อไปอยู่เมืองนาก็ลิกในเลึกได้กันเนี่ยในเลิกได้เรามาเกิดเมืองหน้าแปลว่าขาดทนุนเมืนกัขาดทุนแล้วไปเกิดเป็นงูอ่ะ บัานี้เมืองนาคนั่นอ่ะมีวัดวาศาสานาแล้วมีกูบ า, จาเจนเกษตรขาดทนุนเหตุนั้นพระองค์นึกได้ก็แก้ปัญหาบ้เนี้ก็เลยลาพ่อแม่เมืองนาขึ้นมาจำศีลภาวนาทางเชียงใหม่เพล่อมาจำศีลภาวนาเดือภูเขาลึก เกะสุดท้ายมารักษาศีลภาวนาอยู่ภูเขารักษาศีลแปดด้วยนะรักษาศีลแปดแนวแน่อาสุดท้ายเมยยนะื่อทําทดีก็มีกรรมเมื่อทําดี ก, ม <c oughs> มกรรม็มีเวียนมีกรรมมีเวียนหมอลำพายมันเจอเข้าพบเข้าจะมัดคอลาบ เอาไปให้เล่นละครไปเล่นละครให้คนมาดูเอาเสตยตังมันก็รวยหลายพันก็นะ่จนสืบจุกวันเนี้ยถูกน้องหมอลำพายไปอยู่เมืองอินเดียโ น, น่ไปอินเดียไปเจอเขา้าเอางูมาเล่นให้คนเอาเอาสียตังคนงั้นก็ไปเมืองอินเดียไปเห็นพวกแขก เอางูมาเล่นให้คนเอาเสตางคนจิงได้เนึกได้โอ้ <c oughs> ลูกน้องหมอลำพายมยังมีอยู่ <c oughs> มาตอนละบาลทอนละบางลงูนั้นแหละทนตกกบนอยู่เป็นเดือนๆน่ะสุดท้ายก็กลับลงไปเกิดเมืองนาไปอยู่เมืองนาอีกตั้งใจรักษาศิลห้า เลืิอนภาวนาตายจากนั่งก็ไปสวรรค์เลยนะตาจาสวรรค์มาเกิดอีกเนี่ยมาเกิดอีกมาเสร็สร้างบารมีเรื่อยไปเลยเตุริทัตโตมาเกิดสร้างบรร า, างบ ร, รมีจนถ้ากุ ม, มารจนถ้ากุ ม, มารภูริเทมีทุนบันเดต บร้างบา ร, รมีไปเรื่อยไปเนี่ยจนจนกอดจะชาติถึงเงียบจะสนดอนชาติบามีสุดท้ายตายจากบิดสันดอนก็ไปเกิดชั้นดูสิตสวรรค์ชั้นที่สีอยู่กันหลายร้อยปีพันปีสุดท้ายก็ลงมาเกิดเป็นภระีทาตราช ก, กุมารก็มาสร้างบา ร, รมีออกบวช บำเพ็ญเป็นพรธเจ้าเจนนีเป็นพุระเจ้าวเช่าสมณะโคโดมบรมนาศาสดาที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพวกเราคือพุระเจ้าพระโคโดมบรมนาอุดมสมบูรณ์ทาสนาพระโคโนี่อุดมสมบูรณ์น่ะแรงก็มีน้อยศาสนาองค์อื่นชศาสนาพระธจ้ปัจเจปะเนี่ยแรงเจ็ดปีเจ็ดเดือนน่ะ พดทปด ร, รมือว่าเจ็ดเจ็ปีหอกแค่เจ็ดเดือนนี่ก็ปวดแรงแล้วเดือดร้อนแล้ <c oughs> นบนปวรุกนี่แหละแค่เจ็ดเดือนนี่โอยเดือดร้อนแล้วบส่งเจ็ดปีหรอกแค่เจ็ดเดือนนีก่ก็ปวดทุกขมากแล้วบนไม่มบางอย่างยังบกเกิดแล้วตายถ้าสงเจ็ดปีแล้วก็เดือดร้อนแล้ว แว่าศาสนาพระโคโดมบร ม, ามานาศสาาาดาองค์อุดมสมบูรณ์ผลก็ไม่แรงแรงก็นิดๆน้นนนอยๆแรงก็แก้ได้ <c oughs> ผลแรงก็แก้ได้ในหลวงเป็นผู้มีปัญญาทาให้ผลตกผลเทียมได้เนี่ยมีปัญญาแก้แก้แก้ได้เพราะบุญบา ร, รมีของพุทธเจ้าพระโคโดมนั่นเอง ไอ้นั่นจังวาเรามาเกิดเบืองไทยนี่โอ้ยแสนดีรวมสมบูรณ์แต่ว่าอย่าไปติดดีตัวนั้นแหละถ้าไปติดดีแล้วก็มดหนทางเหมือนกันนะมดดมดโอกาสไปติดดีคือว่าโอ้ดีกินดีดูดีแล้วก็ติดดีซะหลงดีซะมาได้ ห, ดหนีมาบำเพ็ญคุณงามความดี สร้างบา ร, รมีจเจริญกรรมฐานภาวนาก็เออหมดโอกาสานี้เหมือนล่ะอ่าเหมือนกับมหสถมหสถก็ ด, ดีในโลกแก้ปัญหาของโลกโดยบนมีโอกาสที่มารักษาศีลภาวนาตายยูก็เกิดเป็นหมูเป็นเป็นหมอเป็นนาแตมว่าอินทรพุทเกก้า อินทรีเรื่งกล้าเราได้ก้าพวกเราอินทรีอ่อนกับมดเป็นงูกัไปเป็นงูพิษด้วยถ้าคนขี่โกฏิคนขี่โกฏิขี้เลน่ะตายเป็นงูพิษกัดคนนั่นคนนี้อเเขาตายหมดแล้วเอถ้าคนขี่โกฏิตายเป็นเกิดเป็นงูเป็นงูพิษถ้าคนขี้ศพว่ามุนิยุที่้ศพชอบอิดสาดด่าแล้วตายเป็นหมากับหมาขี้เลือด มากีเลื่อนเนี่ยประตัวมันทุกเนะ่ะมันไม่ตกงามบูงงามด้วยคันประต ป, ะต ป, ะตปะตเออเก่าห้องเกงี่เกลี่กไม่เก่าก็คันเก่าก็เจ็บดองให้เกลยกลีหล ง, งจาที่ว่าเนี่ยพะพักอยู่ล้วพสีมีหมากี้เลื่อนตัวหนึ่ง ม, ม่นอนอยู่ใต้ทุนมันคันเนี่ย มันแข็มันก็เกาเกามันก็เจ็บเจ็บมก็ร้องไห้ร้องเฮือกมดขึ้นโอ้ยมันม น, ม น, นึกถึงมันนึกถึงอันโทษคนอิสาพยายาบาตอ่าอิสาเขาทําดีอิสาเขาพยาบาตแก้งเขาไม่โมทนาแก้งเขาไปตกมากรดูหลายพัน 100, ปีเพระฉะนั้นมาเกิดเป็นหมาขี้เลือนอิสาลอยชาติจนุกกเวทนาเนี่ย ยังเป็นตนจะนั่นชีวิตของเราจิตใจของเราตัวตัวไม่ตายหรอกมันนําพบนำชาติไปเลยเห็นนั่นพวกเราทั้งหลายจะมีโอกาสมาสํานักจิตใจของตอนให้บริสุทธิ์ผลดปลองแล้วจิตใจบริสุทธิ์ใจมั่นอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจมั่นอยู่ในศีลในธรรมกรรสอนบริเจ้าแล้วนำมาซึ่งความสุขความเจริญ